ไปทรามานตัวเองก็เพื่อให้เราดีนั่นแหละก็หาทางคิดต่อไปอีกทำยังไงเนอะจะลดละอัตราตัวตนได้ถ้างั้นไปทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดีกว่ายอมเหน็ดเหนื่อยนี่บางคนมีสำนวนเพราะมากเลยบอกให้เหงหื่อล้างกิเลสไปทางานนะสังคมสงเคราะห์ไปทำน้นทำนี่บางที่ก็แย่งกันล้างซ้วมนะบางวัดบางที่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 เกิดเป็นเทวดาอะไรเงี้ยเ่งเกิดทีหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเป็นพบภายในใจของเราเกิดดับทียิบเลยใจของเรานะ่ะหมุนเวียนไปในพบน้อยพบใหญ่ตลอดเวลาพบน้อยนอยนอตายแล้วไปเกิดในนี้เป็นพพใหญ่ๆภายในพบใหญ่ๆในหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี่ภพใหญ่ๆมีพบน้อยนอยนับไม่ถ้วนใจของเราบางทีก็เป็นมนุษย์นะมีศีลมีธรรมาเรียกมนุษย์มนุษย์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 คือความมีตัวมีตนก็เกิดขึ้นคำว่าชาติเนี่ยถ้าไม่ได้ภาวนาจริงๆนะเห็นยากชาติเนี่ยคือการที่จิตเนี่ยมันเข้าไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมาขึ้นมารูปธรรมนามธรรมาจริ ง, รงๆมันเหมือนเหมือนกระติกน้ำเนี่ยวางอยู่นีพระอราหันต์ก็มีรูปธรรมนามธรรมาแต่ท่านไม่หยิบฉวยขึ้นมาของเราเนี่ยพอจิตสร้างภพนะั้นดิ้นรนขึ้นมานั้นตะครุบมาเลยตะครุบ